ปริมาณาทิวาระอักะว่าด้วยวาระอาบัตมีจำนวนนับได้เป็นต้น8กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกละถึงมีจำนวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกอาบัตมีชื่ออย่างเดียวกันไม่ได้ปิดไว้แล้วศึก อ, graduate, อาบัตมีชื่อต่างๆกันไม่ ไ, มははได้ปิดไว้แล้วศึกอาบัตเป็นสภาคะกันไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกอาบัตไม่เป็นสภาคะกันไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกอาบัตกำหนดได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกกระจายไปไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกละถึงพึงให้พิสดารเหมือนในตอนต้ น, นปริมาณทิวาระอัตกะ ทเวพิกุวาระเอกาทัสกะว่าด้วยวาระการให้มานัดแก่ภิกษุสองรูป1 1กรณีภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังขาริเศษภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังขาริเศษว่าเป็นอาบัตสังขาริเศษรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัต ท, ทุกกฎ และพึงให้ปริวาสในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูป <istic> ที่ปิดนั้นแล้วให้มานักแก่ภิกษุทั้งสองรูป 1. ภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังฆาทิเศตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจในอาบัตสังฆาทิเศตรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎและพึงให้ปริวาสในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้น แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูป 2. องภิกษุสองสรูปต้องอาบัตสังคาทิเศตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศตว่าเป็นอาบัตเจือกันรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงเพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎและพึงให้ปริวาสในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูปส ภิกษุสองรูปต้องอาบัตเจอกันภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตเจอกันว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงเพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัต ท, ทุกกฎและเพึงให้ปริวาทในกองอาบาัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูป 4. ภิกษุสองรูปต้องอาบัตเจอกัน ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบาัตเจอกันว่าเป็นอาบาัตเจือกันรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบาัต ท, ทุกกฎและพึงให้ปริวาทิในอกองอาบาัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานักแก่ภิกษุทั้งสองรูป 5. ภิกษุสองรูปต้องละหุกาบัตอาบัตเบาล้วน ภิกษุเหล่านั้ น, นกกมีปปความเห็นในลหุ ก, กาบัตดล้วนว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศตรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ไไปิดไว้รูปใดปิดไว้สงเพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกฏเพึงปรับภิกษุทั้งสองรูปตามธรรม6ภิกษุสองรูปต้องลหุกาบัตดล้วนภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในระหุกาบัตดล้วนว่าเป็นลหุกาบัตดล้วนรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้ รูปใดปิดไว้สงพพงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกฏเพงปรับภิกษุ ส, สองรูปตามธรรม7ภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังคาทิเศษภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษ ร, รูปหนึ่งคิดว่าจากบอกรูปหนึ่งคิดว่าจากไม่บอกภิกษุนั้นปิดไว้ถึงยามที่หนึ่งบ้างปิดไว้ถึงยามที่สองบ้าง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 แล้วให้มานัตแก่ภิกษุทั้งสองรูปก้าวภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังฆาทิเศตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังฆาทิเศตว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศตแล้วเกิดวิกลจริตภายหลังหายวิกลจริตแล้วรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงเพงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกก และเพิงให้ปริวาสในกองอาบัด ต, ตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูป10ภิกษุสองรูปต้องอาบัดสังฆาที่เศตเมื่อภิกษุกำลังยกพระปฏิโมขึ้นแสดงอยู่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบเดี๋ยวนี้เองว่าได้ยินว่าทำแม้นี้มาในสูตรนับเนื่องในสูตรมาสู่เททุกกลึงเดือน ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สรงเพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัต ท, ทุกกฎและพึงให้ประวาสในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานักแก่ภิกษุทั้งสองรูป11ทเวภิกขวาระเอกาทัสสะจบ พระย้าอวิสุทธินวกะว่าด้วยความไม่หมดจดจากอาบัตเดิม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างมีชื่อต่างกันบ้างเป็นสภาขะกันบ้างไม่เป็นสภาขะกันบ้างกําหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมโมธาเนปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมโมธาเนปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสงังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้จึงขอการแจกเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์แจ้งภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เกําเริบ ควรแก่ฐานะให้สโมโอฐานะปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธทมอัพานโดยไม่ชอบธรำภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้นหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างมีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาคะกันบ้างไม่เป็นสภาคะกันบ้างกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสโมโทาณปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงสงให้สโมโทาณปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไวจึงขอการแจกข้าหาอาบัตเดิมเพื่อ อ, อาบัตในระหว่างกับสง สงฆ์ชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่กำเริบควรกระฐานะให้สมทานะปริวาิโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอภานโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจรจากอาบัตเหล่านั้นสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัว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 มีจำนวนนับได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์แชกภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สโมทานะปริวาโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอพ า, านโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลาย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 ทรงให้สโมโุทานี่ยปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้จึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่อ อ, อาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สโมโุฐานี่ยปริวาสโดยชอบธรรม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 กำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมโมธานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงให้สมโมธาะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เกริดเริอควรแก่ฐานะให้สโมโทฐานะปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัตโดยไม่ชอบธรรมอัพานโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้น5ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้าง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 จึงของการแชกเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์แช่ภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กรรมเลิศควรแก่ฐานะให้สมุทนานะปริวาดโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอภานโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้น6ภิกษุทั้งหลาย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 เมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้จึงของการแช่กเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงจาชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่ก่ำเริบควรแกฐานะให้สมุทาณะปริวาสโดยชอบรมให้มานัตโดยไม่ชอบรม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 ด้วยกรรมที่ชอบทำไม่คำเริกควรแกฐานะให้สโมโธานะปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบทมอาภานโดยไม่ชอบทมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้น8ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้าง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 มูลยะอวิสุทธินวกกะจบ 10. มูลยะวิสุทธินวกกะว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติเดิม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้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 เมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้มีจำนวนนับไม่ได้ปิดไว้มีจำนวนนับไม่ได้ปิดไวบ้างไม่ได้ปิดไวบ้างจึงของการแักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์แชภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำไม่กำเริบควรแก่ฐานะ ให้สโมทานะปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัตโดยชอบธรรมอภานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้น6ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างและถึงกาหนดได้บ้างกระจายไปบ้าง ภิกษุนั้นขอสมาทานะปริวาเพื่ออาบัดเหล่านั้นกับสมสมให้สมทานะปริวาเพื่ออาบัดเหล่านั้นกับภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาตต้องอาบัดสัง้าที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้ละถึงมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้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 ภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเดานั้นเจ็ดถึงเก้าโมรลยะวิสุทธินวกะจบ 11. ตาติยะนวกะ ว่าด้วยความหมดจดจากอาบัตโดยขั้นตอนที่สมรวม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจานวนนับไม่ได้บ้างและถึงกาหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมุทานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมุทานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้น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 กำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างเหล่านั้นขอสมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงสงได้ให้สมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่เรานั้นเหลานั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่าง เลือกกรรมอันไม่ชอบทำกรรมเริบไม่ควรแ่ฐานะได้ให้สโมโอธานะปริวาทโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสำคัญว่าเราอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ฉไหนหนอ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 ภิกษุนั้นขอสมุทนานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสมส ง, งให้สมุทนานะปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ปิดไว้ภิกษุนั้นขอการชักเข้าหาอา บ, บัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสมฆ์สงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่าง ด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเลิกไม่ควรกระฐานะให้สมุฐานะปริวาทโดยไม่ชอบธรรมภิกษุนั้นสําคัญว่าเรากําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ปิดไว้ภิกษุนั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่า เราต้องอาบัตสังขารที่เศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างกําหนดได้บ้างกระจายไปบ้างเหล่านั้นได้ขอสโมโุทานปาริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสมสงได้ให้สโมโุทานปาริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่เรานั้นเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังขารที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้จึงของการช่เข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริศไม่ควรกระฐานะได้ให้สโมโอทานะปริวาโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสำคัญว่าเรากําลังอยู่ปริวาตต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจานวนนับได้ปิดไว้เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ฉไนนหนอเราพึงขอการเข้าชะข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กรรมเริบควรแก่ฐานะพึงขอสมทานปรริวาสโดยชอบธรรมพึงขอมานัดโดยชอบธรรมพึงขออภานโดยชอบธรรมกับสม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 และเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังด้วยกรรมที่ชอบทมไม่กำรรเริบควรแกรฐานะให้สโมโทฐานะปริวาดโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบรรมอภานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้น2ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัว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 มีจํานวนนับได้ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชาวภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเลิศไม่ควรแก่ฐานะให้สมโมทานะปริวาทโดยไม่ชอบธรรมภิกษุนั้นสําคัญว่าเรากําลังอยู่ปริวาสละถึงให้สมโมทานะปริวาทโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรม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 สรงให้สมุทนาณะปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ละถึงมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้มีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างกับสงฆ์สงฆ์ชาภิษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างเ้ื่อกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริศไม่ควรกระฐานะให้สมโมทนะปริวาสโดยไม่ชอบธรรมภิกษุนั้นสำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาทละถึงให้สมโมทนะปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอภานโดยชอบธรรมภิษุทั้งหลาย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 มีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ออย่างเดียวกันบ้างกำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างเรานั้นได้ขอสมุทานใะ ป, ปริวาสเพื่ออาบัตเรานั้นกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้สมุทานในปริวาสเพื่ออาบัตเ่านั้นแกเรานั้นเรานั้นกาลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้ จึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงแชกเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริศไม่ควรแก่ฐานะได้ให้สมโมทานะปริวาทโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจานวนนับได้บ้างมีจานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว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 สงฆาเธอเข้าหาอาบัดเดิมเพื่ออาบัดในระหว่างบรรดาอาบัด ต, ตัวก่อนและเพื่ออาบัดในระหว่างบรรดาอาบัด ต, ตัวหลังด้วยกรรมที่ชอบธรมไม่เคยเริบควรกถาณนะให้สโมทานะปริวาดโดยชอบธรรมให้มานัตโดยชอบธรรมอภานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัดเหล่านั้น8ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 กำหนดได้บ้างกระจายไปบ้างเหล่านั้นได้ขอสมโมทานะปริวาสเพื <the <the ่ออาบรเหล่านั um> mm ้นกับสงสงได้ให้สมโมทานะปริวาสเพื่ออาบรบเหล่านั้นแก่เรานั้นเหานั้นกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบรบสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างจึงขอการชักเข้าหาอารเดิมเพื่ออารในระหว่างสง สงฆ์ชักเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริ่มไม่ควรแกะฐานะได้ให้สโมโอทานะปริวาดโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสำคัญว่าเรากำลังอยู่ปริวาด ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างเรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้น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 เพงขออภาราโดยชอบธรรมกับสมภิกษุนั้นจึงขอาการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังด้วยกรรมที่ชอบทำไม่กำเริบควรแก่ฐานะขอสมโทานปริว่วโดยชอบธรรมขอมานัดโดยชอบธรรมขออาพารโดยชอบธรรมกับสมสงชักเธอเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังด้วยกรรมที่ชอบทมไม่กำเริบควรแกฐานะให้สมุทานะปริวาโดยชอบทมให้มานัดโดยชอบทมอภานโดยชอบทมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจางอาบัตเหล่านั้น9ตติยะนวกะจบ สมุทรจะยะขันธกะที่สามจบรวมเรื่องที่มีในสมุทจะยะขันธกะหมวดว่าด้วยอาบัตไม่ได้ปิดไว้อาบัตปิดไว้หนึ่งวันอาบัตปิดไว้สองวันอาบัตปิดไว้สวันอาบัตปิดไว้สวัน อาบัตปิดไว้ห้าวันอาบัตปิดไว้สิบวันเป็นต้นอาบัตปิดไว้หลายเดือนมหาสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตทั้งหลายภิกษุศึกอาบัตมีจานวนนับได้ภิกษุสองรูปมีความสงสัยมีความเห็นว่าเจือกันมีความเห็นว่าเจือและไม่เจือกันมีความเห็นในกองอาบัตไม่ล้วนเทียวและมีความเห็นว่าเช่นนั้นเหมือนกันรูปหนึ่งปิดรูปหนึ่งไม่ปิด ภิกษุลีกไปวิคลจริตกำลังแสดงพระปฏิโมก ค, ความหมดจดและไม่หมดจดในการชักเข้าหาอาบัติเดิม18อย่างนี้เป็นนิพนธ์ของพวกอาจารย์ผู้อยู่ในมหาวิหารผู้จำแนกบดผู้ยังชาวเกาะตามพระปัณิให้เลื่อมใสแต่งไว้เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมสมุดจยยะขันตกะจบ